มิลินธาปัญหาของกรมศิลปากรมิลินธาปัญหาเมนดกะปัญหานวมะวักนิพานสะปัฏฐานะปัญหาที่เจ็ถามว่าพระนิพพานนั้นตั้งอยู่ในที่ใดจะเป็นทิศไหนฐานที่จะได้นิพพานมีหรือไม่ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิปดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคะเสนผู้ปรีชานิพพานังอันว่าพระนฤุฬานสันนิจิตังตั้งอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นทิศไหนเป็นบุรพาทิศหรือทักษิณทิศปัจจิมทิศอุตราทิศหรือเบื้องสูงเบื้องต่ำเบื้องขวาง เป็นประการใดพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจิงวิสัญนาแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพรบอพิษจงตั้งจิตสนาการนิพพานังอันว่าพระนิพพานนั้นจะตั้งอยู่ในที่แห่งหนตําบลใดหามิได้นะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสณะ ข้าแต่พระหน้าเกษณผู้ปรีชาถ้าแม้ว่าพระผู้เป็นเจ้าว่าที่ตั้งที่อยู่แห่งพระนิพพานนั้นไม่มีแล้วพระนิพพานมิไม่มีหรือคำที่ว่ากระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้ก็ผิดพันเตนาเคเสนะข้าแต่พระหน้าเกษณผู้วิจิตด้วยปัญญาเหมือนภูมิฐานไร่นานี้ย่อมจะเป็นที่ตั้งแห่งพืชเข้าเปลือกทั้งสิน้น ดอกไม้ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งกลิ่นเสา ว, วคนรุกขชาติเป็นที่ตั้งแห่งผลมีมากที่สุดมหาสมุทรเป็นที่ตั้งแห่งนาน า, นาชาติแก้วเมื่อคนทั้งปวงต้องการแล้วไปสู่ที่นั้นนั้นนำมาได้แม้ว่าพระนิพพานนิสัยมีมั่นคงจริงกระนั้นก็จะมีที่สําคัญโอกาสที่อาศัยเหมือนหนึ่งสิ่งของที่ว่านั้นแต่ก็หาไม่ไม่ เพราะฉะนั้นโยมจริงว่าพระนิพพานไม่มีและที่กล่าวว่ากระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นคํานี้ก็ผิดพระนาเกษรจริงวิสัชนาว่ามหาราชขอธวยพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐนิพพานัสะโอกาโซอันว่าโอกาสเป็นที่ตั้งแห่งพระนิพพานนี้จะได้มีเหมือนสิ่งทั้งหลายหาไม่ได้ พระนิพพานนิสัยพระโยคาวาจรเจ้าพิจารณาไปเห็นซึ่งอุทยะวยะคือที่เกิดและที่ดับแห่งสังขารแล้วจึงเห็นแจ้งได้มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมผานผู้ประเสริฐธรรมดาว่าอักคีจะได้บังเกิดขึ้นโดยมีที่อยู่ปรากฏหามิได้เมื่อบุคคลต้องการจะเอาไม้แม่ไฟมาสีเข้าก็เกิดเพลิงขึ้น ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าที่ตั้งใจปรารถนาพระนิพพานนั้นพิจารณาซึ่งอุทยะวิยะคือที่เกิดที่ดับแห่งสังขารธรรมแล้วพระโยคาวจร น, นั้นก็กระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดุดเอาไม้แม่ไฟสีเข้าแล้วได้ไฟฉะนั้นมหาราชะขอถวายพระพ ร, พร บ, บพิษพระราชสมภาร ประการหนึ่งอันว่าแก้วเจ็ดประการแห่งสมเด็จบรมจักรนั้นเสยยะถีทางคือสิ่งใดจักกะรัตนังคือจักแก้วหัตถิรัตนังคือช้างแก้วอัศรัตนังคือม้าแก้วมณีรัตนังคือแก้วมณีอิติรัตนังคือนางแก้วขะหะปฏิรัตนังคือขะหะบดีแก้ว บรินายกะรัตนังคือขุนพลแก้วอันว่าแก้วเจ็ดประการนี้จะได้มีโอกาสอยู่เป็นนิดคือเก็บไว้ในประเทศที่ใดหาไม่ได้เมื่อบุญแห่งบรมจากถึงแล้วอันว่าแก้วเจ็ดประการนั้นก็มาสู่สำนักบรมจากรพัตราธิยราชยะถาฉันใดพระโยคาวาจอนเจ้าเมื่อเห็นอุทยะวยะที่เกิดที่ดับแห่งสังขารแล้ว ก็กระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพระนิพพานนั้นก็มาถึงเข้าเองเปรียบดังแก้วเจ็ดประการอันมาสู่สํานักบรมจักรพรรดิราชเองฉะนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าว่าพระนิพพานนั้นหามีที่อยู่ไม่ แต่ฐานะที่จะได้พระนิพพานนั้นมีอยู่ถ้าบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นตั้งอยู่ในฐานะอันควรจะได้แล้วบุคคลผู้นั้นก็กระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้อย่างนั้นหรือพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่าเออกระนั้นแหละสิพระราชสมพพานฐานังอันว่าฐานะที่จะได้พระนิพพานนั้นมีอยู่โยคาวะจอนเจ้าผู้ใด ตั้งอยู่ในฐานะอันควรจะได้แล้วก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันวัฏฐานะนั้นมีอธิบายเป็นประการใดพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่า มหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอันว่าฐานะนั้นคือศีลอันเลิศพระโยคาวจรนักปราชผู้ประเสริฐอันสถิตในศีลนั้นกระทำมณสิการโดยแยบขายแล้วจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตามย่อมกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้เปรียบดังบุคคลอันสถิตอยู่ที่ป่าสกายวันก็ดีอารสันทะนครก็ดี กาสีโกส น, นครก็ดีกัสมิระนะครก็ดีคันธาระนะครก็ดีบนยอดเขาก็ดีในพรหมโลกชั้นสุดทาวาสก็ดีย่อมจะเห็นอากาศเหมือนกันทั้งนั้นความนี้เปรียบฉันใดบุคคลตั้งอยู่ในสีนั้นกระทำมณสิการโดยแยกคายแล้วจะสถิตยอยู่ในที่ใดก็ดีย่อมจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้ชั้นนั้นแล ประการหนึ่งซึ่งว่าบุคคลอยู่ในป่าสกายวันบุรพัทิตก็ปรากฏบุคคลจะอยู่ในเมืองทั้งหลายมีเมืองอาละสันทะเป็นต้นก็ดีและในพรหมโลกชั้นสุดทาวาสก็ดีบุรพาทิตก็ปรากฏเหมือนกันยะถามีครุวนาชั้นใดบุคคลตั้งอยู่ในศีลแล้วก็คงจะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเปรียบเหมือนบุคคลซึ่งอยู่ในป่าสกายาวันเป็นอาทิ บุรพาทิตก็ย่อมปรากฏเหมือนกันฉะนั้นนี่แหละปอพิษพระราชสมภารพึงท่งพระสันนิฐานเข้าพระไทยเถิดว่าศีลนี้ประเสริฐยิ่งผู้ใดตั้งอยู่ในศีลนั้นศีลก็เป็นฐานะเป็นประธานที่จะให้ผู้นั้นเห็นแจ้งซึ่งทางพระนิพพานเป็นเที่ยงแท้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชาตรสรรเสริญ พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้ามาประดิษฐานไว้ซึ่งธรรมะทะชะธงชัยคือทำให้เป็นที่สำคัญอันวิเศษอันได้แก่ศีลซึ่งเป็นฐานะแห่งบุรพทิตเป็นประธานที่จะเห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานนี้โยมยินดีหนักหนาสำปติฉามิโยมจะรับถ้อยคำจำไว้ให้เป็นผลเป็นคุณ แกกุลบุตรอันจะเกิดข้างหน้าในการบัดนี้นิพพานัสะปัฏฐานะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเพียงเท่านี้